สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบารนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8 1ดงพงกษัตริย์บทที่8เป็นเรื่องราวของการถวายพระวิหารนะครับเมื่อกษัตรโซโลมอนได้ทําการสร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรงก็ได้เชิญหิบพันธสัญญาเข้าประดิษฐานณพระวิหาร เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้กล่าวไปโดยใช้พระชนะของพระเจ้าในบทที่8ข้อที่1จนถึงข้อที่11เดรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาอยู่ในข้อที่12นะครับจนถึงข้อที่2 0 1ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า1นงพงกษัตรบทที่8ข้อ12จนถึงข้อที่21 แล้วโซโลมอนตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไ ว, ว้ว่าพระองค์จะประทับในเมเทึบข้าพระองค์ได้สร้างพระวิหารอันสง่างามถวายเพื่อพระองค์จะได้ประทับอยู่นิรันต์กษัตริย์ทรงหันกลับมาตรัสอวยพรแก่ประชากรอิสราเอลทั้งปวงซึ่งชุมนุมอยู่ที่นั่นแล้วตรัสว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําตามพระสัญญาที่ได้ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเพราะพระองค์ได้ตรัสว่านับแต่วันที่เรานําอิสราเอลประชากรของเราออกมาจากอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองของเผ่าใดเผ่าหนึ่งของอิสราเอลเพื่อสร้างวิหารขึ้นสำนานามของเราแต่เราได้เลือกดาวิดให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าตั้งพระไทยจะสร้างวิหารถวายแด่พระนามพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลแต่องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับดาวิดราชบิดาว่าที่เจ้ามีใจสร้างวิหารเพื่อนามของเรานั้นก็ดีอยู่ถึงกระนั้นจะไม่ได้เป็นผู้สร้างวิหารแต่บุตรชายผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าจะเป็นผู้สร้างวิหารเพื่อนามของเรา องพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําตามพระสัญญาคือให้ข้าพเจ้าได้ครองราชบัลลังก์แห่งอิสราเอลสืบต่อจากดาวิดราชบิดาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระวิหารนี้เพื่อพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพเจ้าได้จัดเตรียมที่แห่งหนึ่งในพระวิหารสําหรับหีบ พ, พันธสัญญาซึ่งภายในบรรจุพันธสัญญา ที่องค์พระวิจ้าได้ทรงให้ไว้กับบรรพบุรุษของเราเมื่อทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตทบทวนเรื่องของหีบพันธสัญญาให้พวกเรานั้นมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครั บ, รบชาวอิสราเอลนั้นได้ถือว่าหีบพันธสัญญานั้นเปรียบเสมือนกับเป็นการประทับอยู่ด้วยของพระเจ้าครับ เพราะว่ามีที่แห่งหนึ่งครับหรือมีของชิ้นหนึ่งในหีบพันธสัญญาครับก็คือเป็นแท็บเล็ตของโมเสสแท็บเล็ตนั้นก็คือเป็นศิลาจารึกครับศิลาจารึกนั้นก็จารึกในบัญญัติ1ิประการของโมเสสได้วางไว้อยู่ในหีบพันธสัญญานั้นภาษาอังกฤษคาว่าแท็บเล็ตนะครับก็คือเป็นเทียบเท่ากับศิลาจารึก หรือเป็นศิลา2แผ่นครับที่ได้จารึกบทบัญญัติของโมเสสไว้10ประกาศนั่นเองหีพันธัญานั้นเปรียบเหมือนกับเป็นการสถิตยอยู่ของพระเจ้านะครับเพราะว่าที่หีพันธัญานั้นมีบนฝาหีบนะครับมีทูตสวรรค์2 อ, องค์นะครับก็คือเขรูปเขรูปนั้นเขาจะเหมือนกับเฝ้าหีบพันธัญานั่นแหละครับและ บนฝาบนนะครับของหีบนั้นมีชื่อว่าพระที่นั่งกรุณาเป็นเหมือนกับพระที่นั่งของพระเจ้าครับเป็นที่ซึ่งพระเจ้าจะสําแดงการทรงสถิตของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่เป็นเรียกว่าเตรียมไว้ให้กับมนุษย์ได้รู้ว่านี่คือการทรงสถิตของพระเจ้านะครับเพราะเหตุที่ว่า ชาวอิสราเอลนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้สร้างรูปเคารพใดๆเลยแต่ก็มีหีบพันธสัญญานี่แหละครับเป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์ครับเป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์ของการสถิตของพระเจ้าเป็นพระปรสงค์ของพระเจ้าที่ให้โมเสสนั้นได้สร้างหีบพันธยาขึ้นครับและเป็นที่ที่พระองค์จะรับการถวายเครื่องบูชาไถ่าบาปซึ่งหีบพันธยานี้นะครับเขาจะต้องบูโรหิตนะครับจะต้อง เอาเลือดนะครับมาประพรมที่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นหีพันธญาเน้นจึงเป็นเรื่องเดียวครับที่วางอยู่ในอภิสุท ธ, ธิสถานก็คือสถานบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โ o l y of h o l ฮนั่นเองเมื่อหีพันธญานี้ได้ถูกนำมาวางไว้หรือประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลังใหม่ ซึ่งเดิมนั้นเคยปฏิสถานไว้ในพับพลาของดาวิดก่อนหน้านั้นเองดาวิดได้เคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญามาจากบ้านของโอเบดเอโดมเราคงจําได้นะครับว่าหีบพันธสัญญานั้นได้ตกอยู่ในมือของพวกฟริสเตียหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมพระเจ้าอวยพรบ้านของโอเบดเอโดมและครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากเลย หีบนี้ครับเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของดั้งเดิมของเก่าเลยมาจากสมัยของโมเสสในขณะที่สิ่งอื่นๆในพระวิหารที่โซโลมอนได้สร้างขึ้นถวายพระเจ้านั้นเป็นของใหม่หมดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้ส้อยในพระวิหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาคารนะครับห้องต่างๆในพระวิหารเนี่ยเป็นของใหม่หมด นะครับรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างในด้วยเป็นของใหม่หมดครับแต่หีบพันธสัญญานี้เป็นของดั้งเดิมเป็นของเก่าเลยครับเป็นของแรกเลยชิ้นแรกเลยที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยของโมเสกพี่น้องครับการที่หีบพันธสัญญานั้นตกทอดมาเป็นของดั้งเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงครับ การสถิตของพระเจ้าและพลักษณะของพระเจ้าที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับพระกรุณาและความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับดังเช่นหีปันทัญญาที่อยู่คู่กับอิสราเอลมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงวันที่โซลมอนนั้นกําลังจะถวายพระวิหารนี่แหละครับพี่น้องครับความเป็นพระเจ้าและบุคลิกภาพความรักขอ ง, รงพระองค์ลักษณะของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง กับลูกของพระองค์และประชากรของพระองค์เลยครับวิธีที่พระองค์ได้ทรงดําเนินการกับมนุษย์ที่ปฏิบตัติต่อมนุษย์นะครับซึ่งเป็นพระกรุณาของพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าหิบพันธสัญญานั้นเป็นหลักฐานเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งแห่งการที่พระเจ้านั้นได้สถิตยอยู่กับอิสราเอลสถิตยอยู่กับลูกของพระองค์สถิตยอยู่กับประชากรของพระองค์ การอัญเชิญหีบพันธัญญานั้นมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารนะครับก็เล่งถึงการขึ้นของราชของพระเยโฮวาซึ่งเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลพระเจ้าผู้ปกครองอิสราเอลนั้นบัดนี้ได้เสด็จเข้ามาในพระวิ尼เวศของพระเจ้าดังเช่นพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งได้ขึ้นของราชครับได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในพระราชวังของพระองค์พี่น้องครับการที่กษัตริย์โซโลมอนนั้น ได้อัญชิญหิบพัทสยานั้นก็มีความหมายว่าได้อัญเชิญพระเยโฮวาพระเจ้าอิสราเอลนั้นได้เข้ามาประทับในพระนิเวศหรือเรียกว่าพระราชวังของพระองค์นั่นคือการขึ้นครองราชนั่นคือการที่พระเจ้านั้นได้รับการยกย่องจากอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นพระมหาสัตว์ตลอดกาลตลอดไปเป็นนิตของชนชาติอิสราเอล พี่นองครับพระกัมพีได้กล่าวไว้ว่าหีบพันัญานั้นมีคานหามนะครับมีคานหามสองคานซึ่งคานหามนี่นะครับเขสอดอยู่ในห่วงทองคานะครับที่ทําติดอยู่ที่หีบพันญาแล้วคานหามนั้นก็จะเมื่อหามมาแล้วนะครับพระกัมพีกล่าวว่าเขาไม่ได้เอาคานหามนั้นออกครับคานหามนั้นยังคงค้างอยู่ในห่วงนะครับและการตั้ง หีบปัญญาในพระวิหารในอภิสุทธิสถานนั้นก็ตั้งในแนวตะวันออกตะวันตกครับเพราะฉะนั้นเมื่อคานหามเนี่ยนะครับเขายาวครับยาวยาวเลยอภิสุทธิสถานออกมานะครับจนกระทั่งคนที่อยู่ในหรือผู้รู้เตที่อยู่ในบริเวณอภิสุทธิสถานนั้นก็สามารถที่จะมองเห็นคานหามที่ยาวเลยออกมาได้นะครับอันนี้มีความหมายว่า แม้ว่าจะมีม่านปิดอยู่นะครับแต่พระกรุณาของพระเจ้าหิปาัญญานั้นก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาจากบริเวณอะพิสุที่สถานหรือ Holy of h o l ฮลีนะครับออกมาข้างนอกครับนะครับแล้วพระพีก็ยังบันทึกว่าคานหามนั้นอยู่จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำว่าทุกวันนี้ว่ารีว่าทุกวันนี้นั้นก็มีความหมายว่าแท้จริงแล้วนะครับการบันทึกพระคำพีหนึ่งพงศษ ตอนนี้นี่นะครับก็เรารู้ว่าบันทึกอิสราเอลจะเสียกรุงเยรูเซาเล็มไปในสมัยที่บาบิโลนยกทัพมาตีกรุงเยรูเซาเล็มอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าก่อนที่จะเสียกรุงในปีคศหรือก่อนคศ586แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นถึงความถูกต้องของการบันทึกของ พระกัมพีว่าบันทึกไม่ได้อยู่ในระยะหลังๆนะครับแต่ว่าอยู่ในระยะต้นๆแสดงว่าความแม่นยําของพระกัมพีนั้นต้องแม่นยําครับและถูกต้องนั่นคือการดนใจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมพีของเราไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างยิ่งของคนบางกลุ่มที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของพระกัมพีพี่น้องครับเนื่องจากเวลาในเช้าวันนี้ ผมก็ขอจบลงเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสไขครวนพระวจนะของพระเจ้าครับการที่หีบพันธสัญญานั้นได้ประดิษฐานอยู่ในพระ ว, วิหารนะครับเล็งถึงการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้านะครับจะต้องรู้และตระหนักว่า การสถิตของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนและจะสําแดงผลของพระวิญ ญ, ญาณได้หลั่งไหลออกมาจากชีวิตของพวกเราและการเจมิมการเปี่ยมล้นที่มาจากพระวิญญาณจะแสดงให้เรารู้ว่าเรานั้นจะต้องใช้ของประธานที่พระเจ้าได้ให้กับเราในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าครับ พี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงเสริมกำลังพี่น้องในเช้าวันนี้หลายหท่านเป็นวันแรกของการทำงานขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและเสริมกำลังครับอาเมน